มีเรื่องใดบ้างที่คุณรู้อยู่เต็มอกแต่แกล้งหลอกตัวเองว่าไม่รู้คนที่มีความสบายใจในตัวเองคนที่ไม่ขัดแย้งกับตัวเองคนที่ไม่เกลียดตัวเองเลยคือคนที่ไม่หลอกตัวเองเลยแม้แต่เรื่องเดียวรูปแบบการหลอกตัวเองอยู่ใกล้ตัวใกล้ใจมากกว่าที่คิด โดยมากมักเกี่ยวข้องกับอารมณ์แรงแรงเพราะอารมณ์แรงแรงนั้นปิดการทํางานของสมองส่วนที่ใช้เหตุผลเอาแต่อารมณ์ออกหน้าท่าเดียวได้จำใจหลอกตัวเองเพราะรักแรงแม้เขาหรือเธอเลวก็ปิดหูปิดตาแกล้งทําเป็นไม่เห็นหรือทําใจเมือนเฉยไม่รู้ไม่ชี้จงใจ หลอกตัวเองเพราะเกลียดแรงแม้เขาหรือเธอดีก็สยะยิ้มหาเหตุผลร้ายอย่างรวดเร็วมาตั้งข้อหาว่ามันประสงค์สร้างภาพเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีดีอยู่จริงหรอกพอใจหลอกตัวเองเพราะหลงตนจะดีหรือไม่ดีก็นึกว่าดีไว้ก่อนจะผิดหรือถูกก็นึกว่าถูกอยู่เสมอ จะเก่งหรือห่วยก็นึกว่าเก่งได้ตลอดหาค้ า, าบวกบวกมากลบเกลื่อนด้านลบไม่เลิกเสียมใจหลอกตัวเองเพราะกลัวเกรงเมื่อขี่ขึ้นหัวแล้วต่อให้เคยเป็นพวกเจ้าอุดมการก็ยอมคลานเขาเข้าหมอะกราบเอาอุดมการสุขหีบด้วยเหตุผลง่ายๆคือเดี๋ยวจะไม่มีศีรษะไว้เทิดอุดมการ สรุปแล้วถ้าจะหลอกตัวเองเรื่องใดเรื่องนั้นต้องสาคัญกับชีวิตคุณมากพอถ้าไม่รักแรงก็เกลียดแรงถ้าไม่หลงตัวก็กลัวเกรงน้อยคนนักจะเดินมาถึงจุดที่หยุดหลอกตัวเองได้ด้วยเหตุนี้เหล่ามนุษย์จึงเต็มไปด้วยจุดอ่อนที่ถูกรอบงำได้ง่ายเพียงด้วยการโดนกระตุ้นอารมณ์ดิ บ, ดบ เช่นถูกหลอกให้เลือกข้างตีกันด้วยอารมณ์รักแรงเกลียดแรงถูกล่อให้เข้ารกเข้าโพงอุดมการร้ายด้วยอารมณ์สำคัญตัวผิดคิดว่าดีมากถูกลวงให้ด่วนผลีลามตัดสินใจเลือกซื้อด้วยอารมณ์หวาดกลัวอคติทั้งสี่ประการรักแรงเกลียดแรงหลงตัวกลัวเก ร, รง มักเป็นเหตุให้ดิ่งลงสู่ความตกตำ่ำใครเอาชนะได้ก็เกิดความสบายใจรู้อยู่เต็มอกว่าไม่ต้องหลอกตัวเองไม่ต้องตกหลุมพรางตื้นๆกันอีกหันมาฝึกเชื่อใจตัวเองเชื่อว่าถ้ากล้าถามใจจริงๆใจก็กล้าตอบจริงๆเช่นกันตัวอย่างง่ายๆเมื่ออยู่ในอารมณ์ขัดแยง้ง หรือในอารมณ์สลึมสลือเปิดตาครึ่งเดียวให้ถามตัวเองว่าที่เชื่อไปอย่างนั้นหรือที่คิดที่เอ่ยปากพูดไปอย่างนั้นออกมาจากอาการฝืนหลอกตัวเองหรือเปล่าความจริงที่รู้อยู่เต็มอกคืออะไรกันแน่เมื่อเกิดอาการยอมรับความจริงใจจะเปิดโล่งด้วยอาการตาสว่างชั่วขณะแต่แล้วอารมณ์ เชื่ออย่างที่อยากเชื่อก็จะวกกลับมาครอบงำใจได้อีกเพราะอัคติเป็นเจ้านายครอบงำหัวใจมานานยากจะเอาชนะได้ในสามวันเจวันคุณต้องตาสว่างบ่อยเป็นเดือนเป็นปีถึงจะชนะอัคติอย่างเด็ดขาดได้เลิกหลอกตัวเองได้ชีวิตพลิกเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบได้ในที่สุด